บทที่8การสนทนาของพระอริยเจ้าทั้งสี่องค์ผู้ตัดความหลงในสงสารสิ้นแล้วยังคงดำเนินต่อไปกระทั่งใกล้ถึงเวลาลงอุโบสถท่านพระครูอยากเรียนถามพระเทระเจ้าอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับกรุงทนบุรีหากก็รู้ว่าเวลาแห่งการสนทนากำลังจะสิ้นสุดลง จึงพูดขึ้นว่ากระผมจะได้มีโอกาสสนทนากับพระเถระเจ้าอีกหรือไม่กระผมก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าค่ำคืนนี้กระผมได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้มานานสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านจะต้องนำไปบอกกล่าวแก่สิทษยานุสิ์ของท่านซึ่งมีทั้งฝ่ายที่รักกล่าวแต่ เข้าใจราชวงศ์ผิดและก็ฝ่ายที่รักราชวงศ์แต่เข้าใจเราผิดนอกจากท่านแล้วเราก็ไม่เห็นใครจิตธรรมหน้าที่นี้ได้วีรกษัตริย์แห่งทนบุรีทรงมอบหมายหน้าที่สำคัญแก่สมภารวัดป่ามะม่วงขอรับแม้จะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่และหนักหน่วงเพียงไรกระผมจะทำจนสุดความสามารถ การสอนคนยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอรับเพราะฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมีมากกว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐินั่นและท่านจะต้องทำด้วยความระมัดระวงังคนมีบุญเข้าเชื่อท่านส่วนคนไร้บุญวาสนาก็ต้องปล่อยเข้าไปถือสิว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ละคนมีกรรมเป็นของของตนเหมือนเราเหมือนท่าน แต่เรากับท่านโชคดีตรงที่ตัดความหลงในสงสารได้แล้วแม้จะตัดได้แต่กระผมก็ยังต้องใช้นี่มนุษย์ต่อไปอีกจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงผิดกับพระเถระเ จ, าเจ้าที่ไม่ต้องใช้นี่มากมายเหมือนกระผมท่านพระครูพูดเปรียบเทียบหากเราไม่ละสังขารก็คงต้องใช้นี่เช่นเดียวกับท่าน บังเอิญเราอายุสั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้ละสังขารเสียก่อนก็เลยไม่ต้องใช่นี่ท่านพระครูเรียนถามด้วยความเกรงใจว่าพระเถระเจ้าจะ ก, กรุณาเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ละสังขารได้หรือไม่ขอรับกระผมอยากทราบว่าพระเถระเจ้าละสังขารเมื่อไหร่เอาละเมื่อท่านอยากทราบเราก็จะเล่า เล่าตามประวัติศาสตร์ก่อนนะวันที่อ า, าสาศึกถูกประหารชีวิตแทนเราประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าตรงกับวันที่ห้าเมษายนพุทธศักราช2325หลวงอาสาศึกก็คือคนที่เราบอกว่าหน้าตาท่าทางเหมือนเราเรากับคนคนเดียวกันส่วนเราถูกส่งตัวไปนครศรีธรรมราชในเพจบรรพชิต ซึ่งแผนการทั้งหมดนี้สหายเรากับน้องชายของเขาเป็นคนจัดการคนที่ติดตามเราไปชื่อเจ้าพัดซึ่งต่อมาก็คือเจ้าพระยาพัฒผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้เจ้าพัดก็ยังพาชายาคนสุดท้ายของเราซึ่งกำลังตั้งคันอ่อนๆไปด้วยเมื่อไปถึงเจ้าพัดก็ได้พาเราไปอยู่วัดวัดหนึ่ง เราตั้งใจจะบวชไม่สึกจึงขอให้เขารับชายาเราเป็นภรรยาของเขาและขอให้รับบุตรในคันเป็นบุตรของเขาด้วยแต่เจ้าพัดจงรักพักดีต่อเราจึงปฏิเสธที่จะรับชายาของเราไปเป็นภรรยาเขาเลี้ยงดูชายาของเราอย่างดีที่สุดต่อมาชายาของเราก็ได้ให้กําเนิดบุตรชายเจ้าพัดกอประครบประงมเลี้ยงดูอย่างดี เราว่าเป็นบุตรของเขาเองบุตรคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภรรยานครสีธรรมราชสืบต่อเจ้าเจ้าภรรยาพัทในสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามทรงทราบว่าเป็นบุตรของเราแต่พระองค์ก็ยังทรงแต่งตั้งเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าราชวงศ์ไม่ได้มีเรื่องขัดเคืองบาดหมางกับเรา บุตรผู้นี้ของพระเท ร, ระเจ้าคือต้นตระกูลนครในปัจจุบันใช่ไหมขอรับถูกแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบุตรธิดาที่เกิดจากภรรยาคนก่อ น, อนซึ่งต่อมาก็ได้เป็นต้นตระกูลนครราชสีมาและก็ต้นตระกูลอินทร์กำแหงด้วยส่วนเราเมื่ออยู่นครศรีธรรมราชได้สองปีก็อยากจะมาอยู่ที่เมืองเพชรบุรีจึงบอกเจ้าพัท ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าพระยพัทแล้วสหายเราได้แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าพระยาเพราะเห็นว่าเขาจงรักภักดีต่อเราทั้งที่ไม่ล่วงรู้ถึงแผนการอันแยบยนของเรากับสหายร่วมกันคิดขึ้นหากสหายเราก็คิดไม่ดีหรือว่าที่คนสมัยนั้นพากันกล่าวหาว่าเขาเป็นกระบทเขาก็ต้องสั่งให้ประหารชีวิตเจ้าพั ผู้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นเสียร น, น้ําของเขาแต่นี่เขาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาให้กรองเมืองนครศรีธรรมราชจะได้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เราสหายผู้นี้มีบุญคุณต่อเรามากราชวงศ์ของเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัยเป็นอันว่าพระเถระเจ้าย้ายมาอยู่เพชรบุรีเลอขอรับถูกแล้ว ในตอนแรกเจ้าพัดไม่อยากให้เรามาแต่เมื่อเรายืนยันจะมาเจ้าพัดจึงให้คนมากับเราสองคนแล้วก็ให้อยู่ในถ้าแห่งหนึ่งเราได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้าไม่นานนักก็สามารถตัดความหลงในสงสารได้เพราะหลวงพ่อในป่าได้เมตตามาสอนกรรมฐานให้กับเราอย่างใกล้ชิด เมื่อถูกาพาดพิงถึงหลวงพ่อในป่าจึงเลืมตาและพูดขึ้นว่าวันที่พระยาตากบรรลุธรรมสูงสุดเป็นวันที่เขาละสังขารพระเถระเจ้าจึงเล่าต่ออีกว่าขณะที่เราดูดดื่มอยู่ในวิมุตติสุขก็ถูกชายจะกันสองคน ใช้ไม้คมแฝก ฟ, ฟาดทิสิสาครั้นเห็นเราไม่เป็นอะไรเพราะกำลังอยู่ในภาวะแห่งความหลุดพ้นเข้าทั้งสองก่กระนำไม้คมแฝกลงไปอีกอยังนับไม่ท่วนเสร็จแล้วก็พากนันหนีไปคงจะคิดว่าอย่างไรเสียเราก็ไม่รอดชีวิตไปได้เพราะถูกตีหนักถึงปานนั้นคนดูแลเราก็ถูกฆ่าปิดปากทั้งสองคน ทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยพระเถระเจ้าล่ะครับพระบัวเหวียวถามหลวงพ่อในป่าท่านคิดว่าอาจารย์น่าจะช่วยสิทธิ์เรื่องของกรรมไม่มีใครช่วยใครได้พระยาตากสร้างกรรมไว้มากจึงต้องรับผลหลวงพ่อในป่าอธิบายท่านพระครูถามพระเถระเจ้าว่าคนร้ายเป็นใครขอรับ คนของฝ่ายที่คิดว่าจะเอาความดีความชอบจากพระเจ้าแผ่นดินเป็นความจริงที่ว่าความลับไม่มีในโลกเพราะในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าคนที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่เราเลยกลัวว่าสหายของเราจะรู้เรื่องนี้จึงได้พยายามสืบหาเราจนพบกระผมสงสารเขาสองคนเขาคงไม่รู้หรอกว่าได้ทำอนันตริยกรรม ที่ทำให้ตัดสวรรค์ตัดนิพพานเพราะความหลงในสงสารทีเดียวที่ทำให้เขาสร้างกรรมทาบาปแล้วเขาถูกพระเจ้าแผ่นดินลงโทษหรือไม่ขอรับสหายเรายังไม่ได้ทันได้ลงโทษกรรมก็ลงโทษพวกเขาเสียก่อนก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าเกิดกระบทซ้อนกระบทให้วุ่นวายไปหมดเราไม่ต้องทาอะไรเขาก็ฆ่ากันเอ็นตายตกปตามกัน เราอยากให้ท่านไปยังถ้ำที่เราเคยอาศัยอยู่แล้วก็ไปเอาของดีมาเก็บไว้ของดีอะไรขอรับท่านไปถึงก็จะรู้เองกลับจากอินเดียแล้วท่านจงไปเอาของดีที่พระเถร ะ, ะเจ้าบอกชื่อถ้ำและที่ตั้งแก่สมภารวัดป่ามาม่วงผู้ซึ่งรับว่าจะไปยังที่นั้นเมื่อกลับจากอินเดียความจริงทั้งหมดที่เล่ามานี้ เมื่อท่านนำไปเล่าให้สิทธ์ฟังก็ต้องบอกให้เขาฟังอย่างปล่อยวางอย่าได้คิดเครียดแค้นชิงชังต่อฝ่ายกระบฏหรือแม้กระทั่งฝ่ายพมา่าอย่าไปเก็บอดีตมาเป็นเหตุให้สร้างกรรมทาเวรต่อไปอีกอดีตก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วต้องเอาหัวสิกรรมต่อกันในอนาคตประเทศพม่าจะเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศานายิ่งกว่าประเทศไทย คนพมา่าจะพากันปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดขณะที่คนไทยจะไปหลงไหลในวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็พากันทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยสังคมจะวุ่นวายนักการเมืองจะเอาเปรียบประชาชนผู้นำประเทศจะไม่สนใจคุณธรรมความดีแต่จะไปให้ความสำคัญกับความสุขสบายทางกายพยายามมอมเมาประชาชน ที่ไม่รู้เท่าทันด้วยวัตถุและสิ่งปลนเปลอือทั้งหลายปกครองประเทศโดยตันหามีชัย้วยปัญญาเยาวชนจะเสียหายมากในเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องเพศท่านเห็นต้องทํางานหนักเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้คนที่มีปัญญาซึ่งเราไม่อยากเรียกว่าปัญญาชนเพราะในอนาคตพวกที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชน จะเป็นคนมืดบอดในทางธรรมแล้วก็จะเป็นการมากในบรรพชิตและคฤรือหาดท่านจะเป็นที่พึ่งของคนดีมีปัญญาส่วนคนต่ำซามปัญญาก็จะพากันริษยาใส่ร้ายป้ายสีท่านท่านต้องอดทนอย่าเพิ่งละสังขารเสร่นก่อนที่บ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยเมืองไทยไม่สิ้นคนดีแล้ววันหนึ่ง คนชั่วก็จะพ่ายแพ้และมีอันเป็นไปตามกรรมของเขาขอให้ท่านสอนอย่างปล่อยวางส่วนเราจะคอยเป็นกําลังใจให้เช่นเดียวกับหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของพวกเราหลวงพ่อในป่าจึงพูดกับท่านพระครูว่าการไปอินเดียครั้งนี้จะมีประโยชน์มหาศาลสําหรับเธอเพราะพระพุทธเจ้ามีจริงและการสอนเรื่อง ตถาคตโพธิสัตธาก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในอนาคตเมื่อพากันลหลงไหลในวัตถุคนบาปก็จะพยายามแต่งพุทธประวัติและพุทธธรรมให้ผิดแพกแตกต่างไปจากความเป็นจริงโดยมุ่งประโยชน์ด้านวัตถุเป็นสำคัญไม่คำนึงถึงด้านจิตใจเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเธอทมเมื่อเข้าเข้าไม่ถึงธรรม เขาก็จะทำให้ทำนั้นเป็นว ok ัตถุท so ี่จับต้องได้จะมีการแต่งพุทธประวัติขึ้นใหม่พระไตรปิฎกก็จะถูกดัดแปลงจนแทบไม่เหลือเข้าของเดิมเขาจะจ้างนักวิชาการที่จบด็อกเตอร์มาจากประเทศตะวันตกให้แต่งพระไตรปิฎกขึ้นใหม่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปก็จะถูกดัดแปลง ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่ากับทำให้พระพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยไม่ใช่ชมพูทวีปแล้วก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าก็คือตัวเขาไม่ใช่พระสมณะโคโดมที่เราเคยเรียนกันมาพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเขาจะตั้งตนเป็นศาสดาซึ่งเป็นเรื่องเสียหายมากพระธรรมและพระวินัยจะถูกทาให้วิปลาดคลาดเคลื่อน แต่ข้อนั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพระไตรปิฎกฉบับถูกต้องตรงตามคำทรงสอนของพระพุทธองค์ยังคงมีอยู่ในประเทศอื่นเช่นประเทศพมา่าศรีลังกาและประเทศตะวันตกในที่สุดพระพุทธศาสนาที่แท้ก็จะหมดไปจากเมืองไทยแต่จะไปเจริญงอกงามในต่างประเทศถึงเวลานั้นเธอจะละสังขารไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรขอให้สบายใจได้คิดเสว่าถึงอย่างไรพระพุทธศาสนาถิแท้ก็ยังมีอยู่ในโลกคนมีบุญวาสนาก็จะรู้จักของแท้ส่วนคนไร้บุญวาสนาก็จะอยู่กับของเทียมต่อไปหลวงพ่อในป่าสอนสิทธิให้ปล่อยวางทั้งที่สิทธิ์ของท่านปล่อยวางได้แล้วแต่ที่ต้องสอนก็เพื่อจะให้สิทธิ์ ไปสอนคนรุ่นหลังๆซึ่งคงจะมีไม่มากนะักเพราะในอนาคตคนจะไม่ละอายความชั่วไม่กลัวบาปกรรมจึงทำชั่วทุกรูปแบบคนมีปัญญาจะเหลือน้อยคนขลาจะเพิ่มมากขึ้นพูดถึงประเทศพม่า ผมขอถือโอกาสกราบเรียนหลวงพ่อว่าพระพุทธรูปโบราณที่พระพม่าชื่อครูบาวังได้มอบให้กับผมในสมัยที่ทุดงไปพม่ากับหลวงพ่อกราวนั้นบัตรนี้ไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วผมได้คืนให้เจ้าของเข้าไปแล้วนะครับท่านหมายถึงนางสาวต้นหลิวของของเขาก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปแต่คนที่เธอให้นั้น เขาไม่มีบุญวาสนาที่จะรักษาไว้ได้เธอต้องทำใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลวงพ่อในป่าพูดเพราะรู้ว่านางสาวต้นหลิวจะทำอย่างไรกับพระพุทธรูปโบราณองค์ดังกล่าวเราเองก็ได้มอบไม้เท้าให้สิทธิ์ชาวพมา่าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดน้องคำอำเภอพายาก จังหวัดเชียงตุงวันหนึ่งสิทธิ์ของเธอจะไปวัดนี้สิทธิ์คนไหนครับท่านคิดว่าคงจะเป็นพระบัวเ ย, ยวลหลวงพ่อในป่ารู้ความคิดของสิทธิ์จึงพูดว่าไม่ใช่พระบัวเ ย, ยวสิทธิ์ของเธอคนนี้เขาจะมาช่วยเธอสอนกรรมาฐานแทนพระบัวเ ย, ยวขณะนี้ก็อายุสิขวบยังไม่รู้จักเธอ และเธอก็ยังไม่รู้จักเขาอีกห้าปีเขาจะมาบวชเนนที่วัดป่ามะม่วงสามาเนรรูปนี้จะช่วยเธอได้มากปี2537เขาก็จะทุดงไปพมา่าแล้วก็จะได้เห็นไม้เท้าของเราหลวงพ่อในป่าพูดถึงสิทธิในอนาคตของท่านพระครูเวลาตีสเมื่อพระมหาบุญ และพระภิกษุวัดป่ามะม่วงมาลงอุโบสถก็เห็นท่านสมพา น, นั่งรออยู่แล้วผิดกับวันอื่นๆที่ท่านจะเดินเข้าประตูโบสถ์มาในเวลาสีนาฬิกาตรงเมื่อสง์แสดงอบัตติต่อกันเสร็จแล้วสมพานจึงจุดธูปเทียนและนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยเริ่มตั้งแต่โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธไปจนถึง อํ า, ากังทีขรัตังหิตายะสุขายะโดยกล่าวนำเทรวักให้พระลูกวัดว่าตามจบแล้วจึงทำวัดเช้าพร้อมกันเป็นภาษาบาลีไม่ต้องแปลหากเป็นขฤรือหัดท่านจะให้แปลด้วยเพื่อจะได้รู้ความหมายของคำในขณะที่สาธยายการทำวัดเช้าเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาห้านาฬิกาจากนั้น จะอาวาดจึงเทศเกี่ยวกับพระวินัยแล้วจึงแจ้งให้พระลูกวัดทราบว่าท่านจะเดินทางไปนมัส ก, การสังเวชนิยสถานณประเทศอินเดียและประเทศเนปาลเขาเลยถือโอกาสเล่าเหตุการณ์ที่ท่านประสบพบมาเมื่อเวลาเที่ยงคืนพระคุณเจ้าที่เคารพท่านอา ร, รัมพบทสมภารวัดป่ามะม่วงท่านให้เกียรติพระลูกวัดด้วยการเรียกว่า พระคุณเจ้าเมื่ออยู่ในที่ประชุมสงฆ์ผมมีเรื่องจะชี้แจงแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบคือเมื่อเวลาสองยามผมเข้ามาในพระอุโบสถและอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงเวลาทําวัดอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ท่านคงอยากจะทราบว่าผมเข้ามาทําอะไรในโบสถ์ผมจะเล่าถวายหนบัดนี้แล้วท่านจึงเล่า ว, ว่าก่อนอื่น ผมขออ้างคมพีมาแสดงสักเล็กน้อยเพื่อเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่ผมประสบมาเป็นเวลาสี่ชั่วโมงเต็มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงท่านอย่าได้คิดว่าเป็นเรื่องเหลวหลายไรสาระแต่ประการใดเมื่อคืนผมได้พบและสนทนากับเทพสามองค์พระมหาบุญมีอาการตื่นเต้นที่ได้ยินได้ฟัง อยากรู้ว่าท่านสมพานได้สนทนากับเทพองค์ใดบ้างพระอินทร์พระพรมหรือว่าพระยมบาลพระลูกวัดรูปอื่นๆก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยเรื่องเทพหรือเทวดานี้มีมาในพระไตรปิฎกหลายเล่มอย่างเทพที่ผมสนทนากับท่านเมื่อคืนนี้ก็อยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุทกานิกายจุลนิเทศ ท่านไปค้นดูได้ในเล่มที่30ข้อที่ห5 4หน้าที่312เป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีส่วนฉบับแปลเป็นภาษาไทยก็เล่มและข้อเดียวกันแต่หน้าอะไรก็ให้ท่านไปค้นเอาเองที่ผมอ้างพระไตรปิฎกก็เพื่อจะให้เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นล้วนเป็นสัจธรรม คือทำที่แท้จริงเราเป็นศักยะบุตรพุทธโอรสจะต้องศรัทธาในคำสอนของเสด็จพ่อต้องรักษาของดีนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานผมรู้สึกเสียใจที่ชาวพุทธยุคนี้เขาไม่ได้ศรัทธาในพระศาสนากันแล้วเพราะไปหลงระเริงในวัตถุมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้น ในอนาคตการแม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะไม่ศรัทธาในพระธรรมคำสอนจะเห็นแกลาบสาการะและสมณศักดิ์มากกว่าศรัทธาก็จะเสื่อมถอยเป็นที่น่าห่วงพระาศาสนามากเพราะฉะนั้นพวกท่านที่เข้ามาบวชในพระบอวรอพุทธาศาสนาจะต้องสำเนียกในเรื่องนี้ให้มาก ท่านจะต้องมีศรัทธาในพระศาสนามิใช่มาบวชจิ้มจิ้มจำจำไปวันวันหากพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาแล้วจะไปสร้างศรัทธาแก่ญาติโยมได้อย่างไรศรัทธาที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งมีสี่อย่างได้แก่กรรมศรัทธาท่านจะต้องเชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรมว่ามีอยู่จริงวิปากศัทธาท่านจะต้องเชื่อผลของกรรมว่ากรรมมีผลจริงกรรมมกตาศัทธาท่านจะต้องเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนและที่สำคัญที่สุดคือตถาคตโพธิสัทธาท่านจะต้องเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะทรงพระคุณทั้งเก้าประการดังพรรณนาไว้ในบทพระพุทธคุณที่เราได้สาธยายกันไปเมื่อตอนทำวัดเช้าศรัทธาทั้งสี่อย่างนี้ตถาคตโพธิศรัทธาสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นที่มาของศรัทธาสามอย่างข้างต้นผมจึงขอย้ำกับท่านทั้งหลายว่า ท่านจะต้องศรัท ธ, ธาพระาศาสนาเมื่อท่านมีศรัท ธ, ธาท่านก็จะมีปัสสทะที่เรียกรวมกันว่าศรัท ธ, ธาปสาธาัสสทะคำว่าปัสสทะแปลว่าความเลื่อมใสความชื่นบานผ่องใสคืออาการที่จิตเกิดความแจม่มใสโปร่งโล่งเบิกบานประศจากความอึดอัดคุณมัวเพราะฉะนั้นศรัท ธ, ธาปัสสทะจึงใช้คู่กัน ก็หมายถึงความเชื่อและความเลื่อมใสเมื่อเราเชื่อเราก็เกิดความเลื่อมใสถ้าไม่เชื่อความเลื่อมใสก็ไม่เกิดพระมหาบุญอยากฟังเรื่องเทพสามองค์จึงแอบคิดในใจว่าหลวงพ่อพูดชักแม่น้ําทั้งห้าอยู่นั่นแหละผมอยากจะฟังเรื่องเทพสามองค์จะแย่อยู่แล้วที่ผมเห็นเมื่อคืนไม่ใช่แค่สามองค์นี่นา ผมเห็นเป็นพันๆองค์ทั้งเทพประบุเทพธิดาหรือว่าผมตาฝาดไปก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเห็นพระสามองค์พระมหาบุญมัวคิดเพลินอยู่จึงถูกท่านพระครูทักกลางคันว่าท่านมหาอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวท่านจะได้ฟังแน่นอนบรรดาพระลูกวัดต่างก็มองไปที่พระมหาบุญเป็นตาเดียวกัน ท่านสมพานจึงบอกพระลูกวัดว่าพระมหาบุญท่านหาว่าผมพูดชักแม่น้ำทั้งห้าเมื่อคืนท่านแอบมองผมตอนเดินมาที่นี่ท่านได้เห็นเทพสามองค์ด้วยแต่ท่านไม่รู้ว่านั่นคือเทพนอกจากเทพสามองค์แล้วท่านยังเห็นเท พ, พบุตรเทพธิดาซึ่งท่านคิดว่าเห็นเป็นพันพันองค์ความจริงเป็นแสนแสนองค์ณนะท่านมหา เทพประบุเทพธิดามาฟังการสนทนาระหว่างผมกับเทพสามองค์แสงสว่างจากเทพทำให้บริเวณอุโบสถสว่างสวายราวกับกลางวันใช่ไหมท่านมหาท่านถามพยานครับหลวงพ่อพระมหาบุญรับรองพร้อมยกมือประนมขณะพูดเป็นแสนแสนองค์เลยเหรอครับผมคิดว่า แค่จำนวนพันท่านพระครูก็ต้องขยายความว่าพวกเทพเขามีกายละเอียดเรียกว่ากายทิพย์จึงไม่กินเนื้อที่เหมือนมนุษย์สามารถอยู่ในที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันถ้าเป็นมนุษย์โบทของเราบรรจุได้อย่างมากไม่เกิน $200 แต่ถ้าเป็นเทพบรรจุได้เป็นแสนแสนท่านพระครูอธิบาย แล้วเทพสามองค์ที่หลวงพ่อพบและสนทนาด้วยมีองค์ไหนบ้างครับพระมหาบุญอยากรู้เร็วๆทว่าท่านพระครูกลับถามว่าท่านคิดว่ามีองค์ไหนบ้างล่ะเมื่อมหาบุญตอบตามที่คิดไว้ว่าพระอินพระพรหมโยมบาลครับสามองค์นี้ไม่ได้มาเอาอย่างนี้ผมจะบอกใบว่าเทพสามองค์ที่ผมพบนั้น มีองค์หนึ่งที่ท่านรู้จักดีอยากรู้ชื่อท่านไหมละ่ะอยากครับท่านชื่อเทพอะไรครับเทพบัวเฮี้ยวท่านพระครูตอบยิ้มยิ้ม